เรื่องนางวิสาขาขอพรเพื่อถวายผ้าอับน้ำฝนเป็นต้นนางวิสาขามิคารมาตากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าม่อมฉันประสงค์จะถวายผ้าวัสิกะสาดกถวายอาคันตุกะพัสถวายขามิกะพัสถวายขิลานพัสถวายขิลานุปัฏฐากะพัส ถวายคิลานเพสัตถ์ถวายทุวยาคูแก่พระสงฆ์และถวายผ้าอาบน้ำแก่ภิกษุณีสงฆ์จนตลอดชีวิตพระผู้มีพระภาคตรถามว่าเธอเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงขอพรแปดประการกับทถาคต นางวิสาขามิคารมาตากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าวันนี้หม่อมฉันสั่งสาวใช้ไปว่าไปเถิดแม่สาวใช้เธอไปสู่อารามแล้วบอกเวลาว่าได้เวลาแล้วท่านเจ้าข้าพัฒตาหารเสร็จแล้วครั้นนางไปสู่อารามได้เห็นภิกษุ เอาจีวรวางไว้สงสนานกายด้วยน้ําฝนอยู่จึงเข้าใจว่าไม่มีภิกษุอยู่ในอารามมีแต่พวกอาชีวกกาลังสนานกายด้วยน้ําฝนจึงกลับเข้ามาหาหม่อมฉันบอกดังนี้ว่าแม่เจ้าไม่มีภิกษุอยู่ในอารามมีแต่พวกอาชีวกกาลังสนานกายด้วยน้ําฝน 1. การเปลือยกายไม่งามหน้าเกลียดหน้าชังหมอมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาถวายผ้าวัดสิกะสาดกแก่พระสงฆ์จนตลอดชีวิต 2. อ, อีกอย่างหนึ่งภิกษุอาคันตุกะไม่ชำนาญหนทางไม่รู้จักที่โคจรบินทบาทลำบาก ภิกษุอาคันตุกะนั้นฉันอาคันตุกะพัดของหม่อมฉันแล้วพอชำนาญทางรู้จักที่โคจรจะเที่ยวบินทบาทได้ไม่ลำบากหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาถวายอาคันตุกะพัดแก่พระสงฆ์จนตลอดชีวิต 3. อีกอย่างหนึ่งภิกษุ ผู้เตรียมตัวจะเดินทางมัวสแสวงหาพัตตาหารเพื่อตนอยู่จะพลาดจากหมู่เกวียนหรือถึงที่ที่ตนจะไปอยู่เมื่อพลบค่าจะเดินทางลำบากภิกษุผู้เตรียมจะเดินทางนั้นฉันขมิกะพัดของหม่อมฉันแล้วจะไม่พลาดจากหมู่เกวียนหรือ ไม่ถึงที่ที่ตนจะไปอยู่ทันเวลาจะได้เดินทางไม่ลำบากมมอมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาถวายข้ามิกะพัดแก่พระสงฆ์จนตลอดชีวิต 4. อีกอย่างหนึ่งเมื่อภิกษุไ ข, ข่ไม่ได้โพชนาหารที่เป็นสัปปายะ อ า, าพาธจะกำเริบหรือจะถึงมรณภาพได้ภิกษุไข้นั้นฉันคิลานพัทของหม่อมฉันแล้วอ า, าพาธจะทุเลาหรือไม่ถึงมรณภาพหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาถวายคิลานพัทแก่พระสงฆ์จนตลอดชีวิต 5. อีกอย่างหนึ่ง ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้มัวแสวงหาพัตตาหารเพื่อตนเองจะนําพัตตาหารไปถวายภิกษุไข้ในเมื่อเวลาสายตนเองจะอดอาหารภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้นั้นได้ฉันคิฬานุ ป, ปัฏฐากพัดของหม่อมฉันแล้วจะนําพัตตาหารไปถวายภิกษุไข้ได้ทันเวลา ตนเองก็ไม่อดอาหารมอมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาถวายคิลานุปัฏฐากพัดแก่พระสงฆ์จนตลอดชีวิต 6. อีกอย่างหนึ่งเมื่อภิกษุไ ข, ข้ไม่ได้เพศัต ท, ที่เป็นสปายะอาพาธจะกำเริบหรือถึงมรณภาพได้ภิกษุไ ข, ข้นั้น ฉันขิลานเภสัตว์ของหม่อมฉันแล้วอาพาธจะทุเลาหรือไม่ถึงมรณภาพหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงปรารถนาถวายขิลานเพสัตว์แก่พระสงฆ์จนตลอดชีวิต 7. อีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงเห็นอานิสงสิบประการ จึงได้ทรงอนุญาตข้าวต้มไว้ที่เมืองอันทกะวินทะมอมฉันเห็นอำนาจอานิสงเหล่านั้นจึงปราถนาถวายข้าวต้มเป็นประจำแก่พระสงฆ์จนตลอดชีวิต 8. พระพุทธเจ้าข่าภิกษุณีทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ เปลือยกายอาบน้ำในแม่น้ำอจิระวดีท่าเดียวกับหญิงแพทย์สยาพวกหญิงแพทย์สยาทั้งหลายเย้ยภิกษุณีเหล่านั้นว่าแม่เจ้าทั้งหลายพวกท่านยังเป็นสาวจะประพฤติพรหมจรรย์ไปทำไมกันธรรมดามนุษย์ควรบริโภคการรมมิใช่หรือต่อเมื่อชารา พวกท่านจึงค่อยประพฤติพรหมจรรย์เมื่อเป็นอย่างนี้ชื่อว่าได้หยิบฉวยเอาประโยชน์ทั้งสองแล้วภิกษุณีเหล่านั้นถูกพวกหญิงแพทย์สยาเย้ยหยันต่างเก้อเขินพระพุทธเจ้าข้ามาตุคามเปลือยกายย่อมไม่งดงามหน้าเกลียดหน้าชังหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้ จึงปราถนาถวายผ้าอาบน้ำแก่ภิกษุณีสงฆ์จนตลอดชีวิต351อพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวิสาขาเธอเห็นอานิสงค์อะไรจึงขอพรแปดประการกับปถาคตนางวิสาขามิคารมาตา กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้จำพรรษาในทิศ ต, ต่างๆแล้วจะเดินทางมากรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุเหล่านั้นจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุชื่อนี้มรณภาพแล้ว เธอมีคติอย่างไรมีพบหน้าอย่างไรพระผู้มีพระภาคจะทรงพยากรณิกษุนั้นในโสดาบติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตตะผลม่อมฉันจะเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นแล้วถามว่าพระกุนเจ้ารูปนั้นเคยมากรุงสาวัตถีไหมเจ้าข้า ถ้าภิกษุเหล่านั้นตอบหม่อมฉันว่าภิกษุนั้นเคยมากรุงสาวัตถีในเรื่องนี้หม่อมฉันจะสันนิฐานได้ว่าพระกุณเจ้านั้นคงใช้ผ้าวัตสิกะสาดกคงฉันอาคันตุกะพัดคมิงกะพัดคิลานะพัดคิลานุปัฏฐากะพัดขิลานเพสัตรหรือ ทวายาคูของหม่อมฉันเป็นแน่เมื่อหม่อมฉันระลึกถึงบุญกุศลนั้นก็จะเกิดความปลื้มใจเมื่อหม่อมฉันปลื้มใจก็จะเกิดอิ่มใจเมื่ออิ่มใจกายจะสงบหม่อมฉันมีกายสงบจะมีความสุขจิตของผู้มีความสุขจะตั้งมั่น หม่อมฉันจะได้อบรมอินทรีพละและโพชงหม่อมฉันเห็นอานิสงนี้จึงกราบทูลขอพรแปดประการกับพระตถาคตพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละวิสาขาเป็นการดีแล้วที่เธอเห็นอานิสงนี้ จึงขอพอรแปดประการกับตถาคตวิสาขาเราอนุญาตพรแปดประการแก่เธอ